ไปมีย่าให้สิตพุ้นจิตปล่อ ย, ยมาจาับใจเป็นล่างของพระพุทธเข้ากี่ยงวงันติกขะตาปริโยธปนงังการชําระจิตของตนให้ผ่องแจ้วให้ตาอ่านให้มดเปิดเห็นมดงามําให้เป็นอภะพัดสอนทยองใส่ยาคุณยาม้วนยาเสายาหมองนี่เป็นไกาของพระพรทธถ้าเช่นพระพุทธจะต้องรักษาจิตรักษาใจเป็นกายกายของพระพุทธกับมี่มี่ละใจนี่ละ่ะ นาของพระพรทมันเกิดข้อท่าีพอขึ้นเมตตาขึ้นการุณ่าขึ้นมุทิตาขื้อุเบกขาพระพุทนี่มีความบริสุทธิ์พระพุแปว่าบริสุทธิ์หายสิ้นหาของแจ้ลูกแจ้เต่าหาให้หายหน้าแจ้เขากระหาซื้อื้อบ่เอาอิ่งต่อแท่นนี่พระพุทหายมวหายขั้วกห้ซื้อซื้อบ่เอาของต่อแท่ให้ยเมื่อหายสร้างแจกลูกแจ้เต่ากูหยมึ่หลังนี้ละไอ้นั่นห้เอาหลังนั่นอะไันสิหาซื้อซื้อีพระพุลู ผู้เย่อหย่าาบ้านพู้อมบ้านผู้ยุ่งกากจทิติทัศเขากระเบงเฮ้าขึ้กันมันเดินเฮ้าตีตมเก็ตีหลังบ่อเขาเลื่ได้แล้วละได้แล้วกระห้ยรวกอิีิศละอีริศละย่าขาเพราะเนยเงี้ยวมันกับอีกแขงคาโกเกลคันตัดกะตัดห่อนเงาโซนห่อนเงามันไปน้ำคันตัดเนงต่อเที่เทเร่เบ้อไหว มันแตกกิ่งแตกงาออกงาแหงหลายกิ่งหลายเหนียงเขาเอื้อนหุ้นถ่วงต่อเพราะนั้านายพนาเพศพระเจ้าแสนเฮาเผยยังว่าหันสิษย์ตัดตัวเงาล่ำกระเดาโค้งฝาว่าถึงถึงห้าแจ้งแนวเชื่อเจนกระเดาะสมขาเขาแล้วเยอะเยอะต่อไวโนตัดเอาตัวแจ้นามกระเดานั่นก็ะเล่าขมเยียบปลาไหลเล้วให้ต้มขาทางเย็นน้ำเกลี่ยไปฟันเจี้ยนตัวนอกระเดาสีขึ้นได้เขาเห็นต่อมันต่อของอ่า ควบทุกหนะ้าสมุทัยเหยี่ยเกิดแห่งทุกต้นตอมันเกิดขึ้นสมุทัยขึ้นหน้าช่างปูกเลื่อนนั่นละอันเดียวเอิ่นอันเดียวกันสมุทัยกับหน้าช่างปูเลื่อนอันเดียวกันไม่แต่อันนี้จะแปรเข้าเสวตทําสุดทยว่าเทสังหูปสมุสุขูความที่เข้าไประงับดาบเสียซึ่งสังขารอันเดียวกันนั่นที่เ อ, อื่นสังขารปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขานแม น, น, นเบสเ น, นี่ยใหต้นต่อ พวแม่เคยเล่นก็ข้องงูงูปล่อยปล่อยปล่อยได้ไม่หยู่ปล่อยได้ปล่อยได้ไม่หยู่ปล่อยไม้ปล่อยได้ไม่หยุดพวกแม่ข้ามหาหาเงินทำได้เงินแล้วก็สาวออกขางนี่ดึงออกขางนั่นไล่ไปไล่มากไล่ไปได้มากเล็ดเอหละแกได้แบบอารมณ์งูงูนี่โอ้ยแกตาไดลเท่าไดลแกตาน่อยจนมาเท่ามาแกจนลังคนลังขวางก็สิแกโบแล้วทักแกอารมณ์โบเป็นทั่วปดเพื่อนอารมณ์โบเป็น เกียรติเสื้อนท่านมีเสียอนฉีดอยู่ออกจากจี๊ดใจใจวัเปินล่างขมมวัตถินออกจากร่างกายพระพุทธวัตินแต่เนื่อแก่ทาบริดุทธิ์าธรรมะนี่ร่างวัตถินนี่ให้เขาแก่ให้เข้าปดให้เขาเปืองทางแก่วัตนก็เป็มที่ดีเนาะเพิ่งกับบอกยจ่งเกิดะรสกิตะสกิตะการใช้นลัคิตเอาน้ามือหัวมีเอาน้ามน้องดิบเมียน บ่ได้เอาหน้ามันเอากรเอาอาพรานท่านสตรสัมปชัญญะเป็นท่ามคุ้มคว้างเป็นพาพื้นยังไงป้องกันเหลือก้องกันยุ่งยุ่งคืออยางยุ่งคืออารมอมเ์คือกระเรียมเหมือนยุ่งมีหันเตียาเอลื่นสันฐานนั่เี๋ข้าวเกิื่อนในทางปูเลือนนั่เี๋ยวาวเกล่อสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์กนหูร้านเอิ่นยุ่ง ยิ่งต้วนมีมกัดให้คนยุ่งกวนปองหห้ก็ยุ่งไล่ไครเลือดอ่อมียุ่งไล่ดอกไข่แดงไข่ปลาไมุ่ีกวนปองดอกคนตัโลกประสาทไม่ยุ่งตัวนี้กินเขาจะว่าโอ้ยหหรือแต่นอนในมุงหรือต่านอนในมุงมุ่งกินจนจอยแต่ว่ามุ่งยังไงถึงมากินเข้านอนในมุงมุ่งกวนปองจีที่มุ่งไล่ยังไงถ้ามีมุงก็บด็ดมีมุ่งกับมุ่งก็เขา หมึ่ในที่นี่ห้องมีสื่เอเบรัพพระพุทธเจ้าตรึงเครื่องกาจัดทุกข์ย่มสวตธรรมธรรมพุทโธทุกขัสกาตายใจวิทาตายใจหิตัสสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกข์พระพุทธเจ้าตืึมุ่งป้องกันยุงคำโนทุกขัสกาตายใจวิทาตายใจหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกําจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพระธรรมเป็นมุ่งเครื่องป้องกันยุงนั่นเองหลังโคทุกขัสคาตายใจวิทาตายใจหิตัสสเมพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์ตรึงเครื่องกําจัดทุกข์ นี่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระท่านพระสงฆ์ก็ดีเป็นเครื่องกันจะทุกเยันนี้พระพุทธเจ้าพระธรานพระสมบบมงฆ์บรมคุณเนเ่ยเขาบอได้แปลว่าเป็นปผู่พราพระพุทธเจ้าพระธ่มามพระสงฆ์หรือราชนาถัยบรมคนเป็นคุณธรรมที่มีประยำยุทธิคิตในใจของเฮ้าชาพุทธทุกคนท่าเป็นเครื่องตือนท่านเป็นโลกกระด้างเพื่อคุมควองปกปักรักษาเฮ้าด้วยสินของเฮาขาดด้วยสินของเฮ้าทะลุด้วยสินของเฮ้าดัดงถอย อำนาจของอารมณ์มันมีพิษ ส, สงแห้งกายดีบังคับให้เห่าได้หัวเลาะร่องไห้บังคับให้เห่าได้บวยีุตรีขาบังคับให้เห่าดูดาวากก่าลั่นบ้านไปเลยบังคับให้เห่าเกิดเลือดวกไอเจียนปุ้นท้องปุ้นใสสีห้าสีทนยังไปเห็นหมาเมาไปเห็นเขาให้ขา้าวต้มขนมสิน้นำไล่แตงน้ำแลแตงทุกข์ข้ามันมันปุงละปรุงใจคุณเรียกเขาเองคิดสังสาร น, น, านาาี่น่าช่างผูกเลื่อน นันจะบังคับไให้เข้าพวไแม่ไงก็เลยตั้งมีท่านบ่อยมีท่านของหลวงพอ่อว่าพวกแม่หากกวา ง, ง่ายก็ได้ดิมีท่านชุดนึงไปว่า อ, อ, อยู่ยร่มพยาบาลอำเภอกุชชุ่มจังะะ ว, างวัายะโสธรเขามีเนินเราเว่าถ้ามาเดืกดๆวราโรคแ้วเพื่อนผดถามอาจารย์พระธรรมจุติถามอัน ทพระพุทธเจ้าตากับเพาะอนโน้มอันนุดด่นเพรว่าอันนุ่ผู้ใดเห็นถ้มผู้นั้นเห็นเล่าผู้ใ ด, ดเห็นถ้ำผู้นั้นเห็นตถาคตคุณมอือมี่มี่บอชาผู้เท่าได้เห็นถ้ำเดียกพบท่ถ้มี่บอยเป็นฐานเราบอกว่ามี่มี่ยู่ครับแต่ว่าการเห็นถ้ำมันเป็น เ, เรื่องของผู้ประพฤติผู้ฝึก จ, จิตฝึกใจตามรักมหาสติ ป, ประฐานเล่มตั้งใจที่ล่ะ กายญานุปัสฌนาพวกนี้นี่ยบนเห็นธรรมเด็เห็นอยู่ทอันนี้บ่างปรมาท่าเรียกว่าท่านไฉนั่นเห็นกายกต่ท่าเกายเขากืเอื้อท่าเขาเอื้นรูปทเห็นกายเห็นใจนี่ก็เริ่มสตาเคลื่อนเลยล่ะอารมณ์แรกกายานุปัสนาเริ่มเห็นกายริมเห็นใจแล้วล่ะที่รู้ใจรู้รู้จนั่นแล้วล่ะตานุปัสนานี่ที่ไปเห็นที่เขาไปสัมผัสกับท่ามาลมอิหลี นั่นหละสมุดสัมผัสกับท่นานอารมณ์นั่นหละพะเาน้ตริยทิมีขึงกับผูเพ็ญเพียรท่านกิตพวนี้แหละกิตานุปัสานาอารมณ์อสองเนี่ยเขาเอิ้อนผู้บำเพ็ญเพียรท่างกิดแหละขันเณรอารมณ์เกิดกินเฉพาะนาเขาเอาสติขมาติประกอบเลยโยคเวชั ย, ชยเตปุริโยเลื่ลมเอาสติขมัมาประกอบพึงสติกัใช้สติปุ๊ปัญญาเก็ดใช้ปัญญานี่อยู่ใกล้เกือไปกินด่างเมื่อกีบอเขอทาน อสตสิเขาไม่ประกอบนี่แล้วตอนนี้ละ่ะผู้เห็นท่ามเห็นเรื่อยเรื่อตาไม่เป็นท่าสมน้ำมีตลียะเห็นแล้วจะห้ได้กดตัวให้ได้แก้ไขให้ดึง เ, เชือกเขียนถ้าไม่เชื่อมขี่อยู่ออกนี่ทำให้เห็นเมื่อกี้ว่าได้ถ้ามีกิเลสบาบางอย่างค่าหรืออ่อนตัวร่วงแล้วก็เลื่อนมาเบาเราเรลื่องอารมณ์มันมี่ มีอาการต่างๆไม่ดีขั้นห้องมีที่สงรุ่นแรงเป็นอุป Fo so ีระกับปอุปีละกกรรมชนิดหนึืมเช่นค่วมปวดข่วมซูนกะเป็นอุปีละกกรรมบีบบังคับบวมเปนไม่ดีกับหมัดห้องบีบคิดบีบใจให้เจ็บปวดร่วดเหล้าให้ระบบท่วงไม่ให้เจียบให้ซั่งทห้วิจมนต์ขึ้นเข้มแข็งขึ้นอยากด่าใหนวิจมนต์อยากขืงยาสิืนยาจะไหนค่วงตั้งกันกระยากจิตยาก อยากทำได้อยากไปเสียหายพ้นอยากดีตนออกห่างอยากได้อยากว่าอยากสมบัติแหละมันอยากอยากได้กับดีดูมีอุปีต ก, กรรมควโกวดมันบังคับควบหกักควบหอมไม่บัคบงคบกับีบังคับอีละบีให้ห้าบังคับธนุธน้อมกันคือเขาหากัเกเขาพแพ่งกันเนี่ยผู้บ้าผู้สาวหักกันแต่ผู้สาวให้ผู้บ้าผู้บ้าให้ผู้สาวหา้ า, หาเห็นเห็นรดดูกเอกไปหากันแต ม, มีของฝาของฟัง เออถืออนันตีดนใหม่ดินมือถืออันนี้ไปฝาไปนั่นแหละไม่ไงใครจะทนว่าขึมฮ umm. SO e ักหนี่เฮ้งถนอมยากถ้าปลูกต้นใหม่สวนยอมยอมละขางบ้านเจ็ร้กว่าสองร้ยกว่าก็นยังบ่ถนุถนอมยากสามคนเขามีรักเดียวรักเดียวมีแห้งถนอมกันยังถนอมยากก็ปลูกต้นใหม่แล้วเสียร่่่่่่่่่่่่่่่่่่างบ้านดอกไ่่่่่่่่่่่ จะสองร้อยสามรอกว่าก็ยั่งพอรักษาไว้มันเบาหนกที่แบบมันบปกีละอะไรเนี่ยที่ดอกไม้เพราะยัอ ง, อยงว่าความแรกคือสวนดอกไม้ที่ต้องรถด้วยน้ําตาและใส่ปุ๋ยคว้มดินด้วยครับคว้มลักอีกดอกไม่อีนี้มันโดยว่ได้เอาซับคักรายเด็อกินปุ๋ยอาทิตย์นึงสองอาทิตย์ก็ยังว่ได้ว่าได้หาอีกว่าได้หาซ้ำซากหายต้นาน้ำและขันสองขันเต็นหนึ่งควนคว้มลักนี่เฮ้ ไปหาการต้อนหิวอันนั้นไปฝากต้อนหิวอันนี้ไปฝากไปฟังยื่นเลมีคนว่าคว่รักแจงคอยชื่อสวนหอกไม้ที่ทนนถนนใหญ่ๆคือสวนหัวไม้ที่รดด้วยน้าตาเอาน้าตารถรถไม้แห่งคว่ำรักอ่ะเอาน้าตาไปงดอทนว่าแันวัาไม่น้าตาเขาถืว่าเข้าฮักไหลนะกงฮักเกียรติโดยน้าตาไปเลยเขาจะเสียนใจเน่เอาของฝากไปฝากคาดว่ล่ะอารมดีบังคับให้เขา เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดนีไปตามมันแต่พบเห็นอารมณ์ได้ห้องได้หายกแล้วสิบวัาเรี่องคนหักปะนี่ลงพอสิบวันมีท่านอว่าสิเวานจโดนแล้วโค้งไปไกลไกแล้วทีนี้ไก่มีท่าตระเดียวมีไงสิบวันหรฟั่งมันฟังมีท่ากรส่าวไม่ติดใจกันนี่มีท่าลงพอแต่ว่าเรี่องอารมณ์พระราชาถ้ามันอยู่เพื่นถามเรามีคนเห็นท่าบอคุมมออที่พระพุทธเจ้าว่าผู้ได้เห็นท่าพุทธนสถามก็จะได้บอกว่าเห็นคือเื่อเห็นอารมณ์แหะ มาสิเดากคนไปเห็นอารมณ์คืออารมณ์พักกันหนมีการเปีนไปต่างๆได้หางรถยนต์ปีนเด็กน้อยอยู่บา้านก็ะทาใช้สามง่ายแต่ ไ, ไส้เด็ดปีนหะน้าคนดีดีคนโตซูมอิริคนใด้เห็ุให้เหตุ ห, หตน้าได้ปักได้ดำเบิดหน้าขู่ขูเถื่อนเถื่เหตุเต็มทีอืมปูปลาหน้านามกระไดพวกกุ้งโพชิวออกไ ป, ออ ก, ไปออกแม่แท้ลูกหลายอิริก็ะทาใช้สามน่ายกับไส่เด็ดแล้วไส่เด็ดเทึงเอาไปขายทึนเอาไมา่อยู่ไม่กินนั หอมมันเป็นหอมเยวาลองแต่เว้ลงทิดไตรกะโลกทิดไตรทนายโลกุตไปจดอันเพื่อเจนข้ออาอะหอมบาดน้องก่พันบาดน้นคู้นไปใช่เบสบาดนี้ก็ไปนอนกูเทียนหน้าเทียนนั่นแหละเทีนหน้าเทีนั่นอ่าเป็นหน้าของคนอันไานาเนี่ยเครื่องปู่ของปันกระไรมาแ ล, กาละก่อนอีกคือวาทียนหน้าลองข่องแต่ว่าเทียหน้าเขาเคยกับติดมากกว่ามาที่มือไนะ ขุ้ประกอบมากมาฝานเปลอมาสับมาย่ำยังดีกว่าใส่ไว้กระถาดเอางมกันไว้ถาดงมกันไว้เดือนกระเดือนครังแรกและว่าบางเดือนเก้าสิมหาเดือนสิ้นเนี่ยเขาก็ั่วยเนี่ยรายเดเด็เกาบุยบะเมนน่อยแล้วพู้ละสองร้อยสามร้อเอ่ะคันแท้ยงวงยงปนน้ำหอมอะเอาไเลยสองสามกันแท่งเลย แันเทกบกเนยใส่เบสสใส่เบสมากใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มามันเบสเกลือแค่นี้ว่าพวกยู้ในบ้านจะกินเขาแล้วอย่ามีมีเบสเสียงโคเสียงสาตัวนี้เลยเหรถ้ามาายในบ้านดังด้วยเนาะสีเป็นแรกไปง่ายเมนบอลถึงคูถึงทางนี้นบานนี้มีเสียงโคเสียงสาถ้าบ้านเขาจินเขาแลกตีเตียนตัวเขารับคนนั่นนี่คู่ยุธงยูแน่หรือาเซเบะเคื่งมือ เ, เออครับเอาไฟม่จำเอาไฟม่เตะตีเตียงเพราะมู ตามโซนกินเขาท่ห้าบันอันนีงไ้จะเป่าท่อจะเอาตะเวทและถอดให้ท่อจับไกลเนยจง้อยผุนเดียวแล้วมันยังแตกตัวสองคนแตยังประท่านเห็นพรอันนี้ก็เอาใจมู้ยดอ่ะเออมาเฝ่าตามกับพาะตามมาละอดจิตอดใจหิวกะงอยง่ายรูปไปหาเราเด็ดไปน้ำมูละเราไปแล้วมาเท่าบขยันปนไดคนหิว ไปได้ขั้นหนึ ha, ่งสองขั้นกันมานังถามูตรงม้วนเรียงหน้ากี่ร้อยหน่อยไอ้ลวนกันมากอันี้ว่าห้วยตามชมตัวห้าบาดนี่เองถาไอ้งวนกันไอ้งงอนมากจะไปเอาเอเอ้คล้อยไอ้นั่นในบนน่นไอ้่กันมากเสียงลังเข่าปุ้มปั๊มปุ้มปั๊มลากินงอนงอนจนัู้หยเอาไปมาไต่เตียงเถอะ้เข่าละละบาด โอ้ยมีสีไฟสุดโต่งน้าหลยมือเฮ็ยเจังไหนจังคอยสิมีกลิ้งมีไฟบ่เดินกระฮ้งมืดแหงดำเดี๋ยวเบิงนหน้าพอพอนีชเช่ดดูเดี๋ยวเบิงเสียงหน้าพอะไงหนันจันอันพร้อนตะเฮงมุดดูเลยบิ้มีจักเขียงไฟก็ได้บมมงไอ้นี่ถ้วาตัดรถแก้ปัญหาวาสร้างหวัวเถอะแตมันบิมีอินดีกด็หลายบ้านออก็ยไกขิตไปเอามันกับเเวลาเอาต่ ม, มืมดมืดทีละ ข้นโคกกะจ้อมจอมดอกโป๊ยว like ่าม so mm ัน hmm. ส hmm ีลืองสากไปใชได้ดอกพีกได้เอาโลกลกอันนึงเอาจังวเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหย่นพริกใส่โคกเอาเกลือใส่น้ำเอากราน้อยได้เป็นส่วนใส่กันพร้อมกันโขกตันใส่กันเลยเทิ้พริกเทิ้นกระางน้อยแหลกแก่เอ้าเอาบะกอม้าบะกอใส่ผ่าเลยแม่บุ่รอบะกอแบบว่าเทลวดลุกไปลวดแหลมไนเทลวดลงไปเทขึ้นไม่ขาดเลยเลยไม่จังพเสียไม่ขาดเพากิดสาวตันเป่า ทส่วนทุ uh ่งอยงเนี ma, ่ยตามชั่วชั่วขานี้แดเด้งเขืเขาต่าเฝ้าๆที่เขาเฝ้าใส่ข้นลูกข่าที่อันเทเ้าๆเรองละปลามามส่นบรุอวบอมอวบอิ่เทเรอปลาหมาปลามาแม่แม่เนาะเดือนทางแล้งเดือนกับพอกอกไฟเดือนกับพวีพมี้ใส่เบ็ดเนี้เบ็ดได้ไหนื้อเนี้ใส่เดือนนี้หมกบักย้ายใส่เดือนกเอาหางตกกล้วยห่อนี้ปลาลากบเอาหางตอกกล้วยห่อตงเชื่มกันโอโหยู นนอกปลาลาม็อกน้อยกว่ามกใส่เดือนม็อกแบบง่ายเลยอ้นี่ว่าเอาปลาลามากชื่องเมื่อไปไปทีมกใส่เดือนเอตอนอั้นมาแกเทลงไปคกเยละเลยใส่เดือนโตลงไปันเด็กกินงอใส่รวยเะรฝ้าๆผู้หิวกิดหิวงอใส่งอไอันี่ยซีนเป็นเฮ้ยโอ้สั่งสื่รุทงเฮ้ยปลาลไม่เิ็ุกไม่มนี่อกเี้ยน่องปลาล่ม่แต่ใส่บุคอลที่แบ อิสุพรร์ได้ห่อกูกระดายเลยใช่หห่วย้างวานใส่หลายเหลือดีเลยแล้วมันอกี้เส้นสดดวยแตยังว่ามันเป็นตลาดใหม่เลยไอ้กับลถอีกซิมมึงดูเาแย่งนี่พีโอ้ยจางเจยกลยแลดงรถพงแล้วอะ่าเง้ยว่ามีรถมิชาดอกตลาดใหม่จนเขาวาเราสุดห่วยกูอันซีมมึงกระจ่โอ้ยจางกระจ่างพูดจางวาดอกอะรถอีกจ้เอะรถอีกไอ้เงมกิดม่ซิมนั้น เอ้ยมันก็มีเลยวิชาเราซ้ออ่อนแม่มันเดอดตาเทพเลยเที่ยวเหลือลมัดใส่เดือนมยังงอยู่หรออืมเท่หเอ่ออาหารเสี่ยงเมื่อกี้ขึ้นรูปกอนหิวดอกก็เมันหัวเ่กับเราเท่ว่มคตรใสถาดเลยมีไหมแบบนี้เอ้าเดส่วนทส่วนมั่นส่วนเมื่อก็้มีได้ไหมลาวใส่ลาใส่ดใส่อันี้กินไปสามสี่ส่วนหาส่วนต่อหลากปะโดดจะให้กูโซดถือก็กรดเลย ก็ได้ปลาโลตีเพื่กดถือเจ้ปลาโลดเอ้ยจ้ว่าปลลดมันประหลาดหละมันก็เพราะไบ้นนี่เขาห่อให้กินไปกินมาเบดเอเลดสมก่อพกนีเบ็ดเอเลดเลยก็เพราะเป็นยังหละว่ามีทายมีที่ท่องกับบบปุ่นเนาะมึงลงดูบบปุ่นท่องบ๊ปุ่นใส่บสอิสะเยนบ่ขยะขยงบ๊เลยอวกไอเยนซื้อๆกินแล้วก็ได้มันก็ปุนได้สังขายบนบบู๊้ซืตัวไี่ คือน่ะบระหยัดเลยซ่ากันก็เขานั่งทับยุบบนเนคุ้มที่แต่งหงล่ะกับประยังบวกแจว่าเขาฟังผีแต่หันเมื่อสามคื้นสีขึ้นกับมีคว้วสุขดีบฟังได้อันนี้กินสมบกอบวกแจว่าจะขอกินกินส่เดือนกัซื้อซื้ออยู่ปรปุ๋งรแจงหุ้มอีกหลาย Zelda uh huh. ชั่วโมงขนาดจะติดปูอ <Yes. S 2> ันนึงอะไรที่ไหนห้องใกลตัวเขาอยากกับมีตอนั้นบ้านเนี้เิ่งเป็ี่นบ้านตลอดอบายมุกเออบ้านตัวเขอยากกับมีเห็นไหม ก็บ่ใี่จำไรแล้วการนั่งบ่กันคุยกันว่ากันคุยกันมันก็สิน่งจะได้มีเนี่ยสิรับกนอยู่ีสิบัวแเราหัวเดือนท่กลัวนี่ยผู้ใดมีนิทานกับหานิทานมาบ่เนี่ยอันี้กับใครอื่นได้นิทานหนึ่งมาบ่บ่ซ้าท่าหนงเดือนขึ้นอะไม่ไงบ่ไปบ่มากกับบขึ้นละเดือนจบนิทานไปเรื่องนึงแล้วเนี่ี่อีกอะไอ้ไม่เอานิทานมาบต่ออีกบ่ไปบมากนิทานจบเดือนกับนอกโลกคือมาก พอเห็นทางไปพองมพ่ราสีเส้นแท่ลวนหงาย่พอไปขเราบีอี่ห้งย่างสีลายกับุระองเราจะมานอนดีดี่นทางรถังเวยดีเอานื้มาแบ่งกันซะเอาเนื้อมากตอนนี้ระบาดไปล่าไปเล่าทีม่มาแม่สื่โอ้ยนี่จะลาให้ส่วนใเดือนให้ตะบกอเกสส่วนม่ด้ไม่ดีดีส่นมันไม่ได้ไม่เง็นยังตปลาอยู่ส่วนว่าเออเองะเลย แอร์ไ <laughs> อ้ที่สมันบวแอรที่แบมันอ้วกเอาเลยที่บบไ้ที่สามก็ลัเอาเลยพุ่งก็คนละทีคนละทางคนสามค น, นหากออกบะมีเ น, นี่ยอยู่ทองนรนี่แะคนไรเห็นอารมณ์อารมณ์พอ เ, เลยว่าเรื่องวินัยที่ระสง์สน่นทองเหที่ห้าตออ้องอบับหกยางเห่ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควนีนของที่ควนนี่สมบูรณา พญอยพญายผีนะสมุดจะซื้อดิสมุนวาพญายพญายมีห้อยมีนียกข้อไปบิาบานนี้บ้าอเล่นไปเห็นเด็กหน่อยอ่าคนหนุ่มหันข้อมาแม่ลูกหลานเล่าเราสมุิจะื้อดิเอผู้อยู่บ้านตั้งไก่ถูดิไปิบานเห็นเด็กหน่อยหันข้อมานี่เบิงเนีเบิงวาแม่หลานพญายปร่เทศบรรทกกับเล่นเป็นตัวเี้ยนพญายสมาตังทรงองนุ่งพ่อเป็นผู้เปิด การชั้นเขากระชันเป็นภาพเคยอออเห็นขวานเนื้ยสงสัยแล้วอย่างนม้นขวานเนื้อมาอ้าแล้วเมื่อเจ้าเห็นดีหน่อยมหาข้อหมายตัวเขาหนีไม่ของเพอาะยังเจตเทอะน์สงสัยเจ็บเร่อยนี่นมเมื่อพ่อย่อมสอิ้เอียนเกิดตั้ขานแล้วปุงแจ้งแล้วนีเบียดเยนเจ้าของได้ดิท่านเราได้เป็นไปเพื่อเบียเบียตัวแหลกผู้อื่นสิเรานั่นมีใจทันมใวิเนียม่ใชทันสั่งสอนของพระสถาพนความชี้เจ้ี่เบียเยนเจ้าของแล้ว เอิสรย่าตอาหารในติดตัวขยะขยงเลยคิดว่าเป็นเนื้อหมาว่ามันหัวเนื้อหมาทีท้งทั้งที่บ่อมนมังสังชีดเลยบ่มันเนื้อต้องหามแต่หลวงพอคิดปุ๋งคิดแดงคิดเลื่นเปือนคิดฟ้าผิดตัวไปเลยท่านเจ้าที่ปับอบาตแจกพูสงสัยแล้วฉันดิ่งไม่ไง่ันเจ้าของสงสัยันเจ้าของคิดบนหีบงามมันปุ๋งมันแดงเป็นจีบข้งขาดีเบียเจ้าของแล้วเพิ่นบ่ให ขยายว่งเบียดเบียนก่วงไกลออกไปหาผู้อื่นพะลุงพ่อขยะยข ย, ขยายก็หาในจิดตัวเท่านั้นลุงพ่อไปกินบเบียบเดเบียนมูเรื่อเบียดเบียนยังไงลุมพ่อปุ่นทองปุ่นใสไว้แล้วลน้ำมันกรสิห้าใสมูตรื่อทันห้าใสมูเป็นไหมูสิท่านอินมบวเขาบอ่อินแล้วพังะงไปก็ละไล่ลไปเร่ยแล้วนี่เคยจะคอยบอ่ให้ฉันนี่แหละเบงลู่ก้นตรับอาบาเท่าอยู่นะผู้บรเห็นสังขารสังขารเขาเออหน้าช่างูกเรื่อน สังขารนี่คือจิตมันปุ่งมาแจงแม่คิดมันนึกขันคิดโกรธเขาเอิ้นอบันดาลโทษะอหลรเขาเอิ้นอารมณ์ล่ะอารมณ์นี่เป็นธรรมะชนิดหนึ่งที่จะต้องเห็นด้วยตาคือสติคือปัญญาอารมณ์เม็นวัตถุนด้อารมณ์เขาเอิ้อนกิเลสถ้าอารมณ์ป่วนปันเป็นลักษณะโกรธลักษณะเกลียบลักษณะเกลียดคุณนี่ยเขาเอิ้อนกิเลสประเภทอบันดาลเป็นอุปีแล้วกิกรรมบังคับให้เข้าขากันบังคับให้เข้าด่ากัน ทำโกนในหนอยบ่ดท่านถึงขาดอกพระเอเวนปฏิคาอารมณ์เกิดมุมญญดมนิสเกิดล้ำขั้นควบโกนในหน่อยกะยังควบคุ่มได้อยู่ยังบ้นแสดงออกมาสีหนาทาท่างให้พููต่อสู่เห็นสัมเหลืบอบางยังทายยิ่นยิ่น ม, ม, มีอยู่หรอกโกนในหน่อยอย่าลืมบ้ า, านขันครูนั่ น, นท่น่ ใ, นใจว่าครูสิบ่ลืมมันเฮงไงคึอเครื่องหอดพัดเนาะเฮงมือนักมือแล้วเป็นกกเป็นต้นเป็นล้ำหมดเงีเลยพัดอ่ี่เรื่อเพื่อน ตอ น, นี้ก็เป็นปฏิฆาแล้วเป็นอารมณ์แหละนั่นแหละพเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่นั่นแหละเห็นท่านมาล่มณน่นะเมื่อพระพุทธเจ้าวา่าผู้ธได้เห็นทรร่านพุทธนาถเห็นแต่ทาคดแต่ท้าขดคือไผ่แหละคือผู้คุคมข้องคือผู้ราาักษาเขาหายปอดชิ้นสิบบ่าดชิ้นสิบบ่ทะลุคันเห็นเห็นอารมณ์เห็นแล้วไม่ติอายใจนะว่ากูปฏิบัติท่านมากเกอกหรเปล่ยี่สิบปศูนย์ดาเขาอิบอ้อกูสิบบ่อายบ่อ่เจสี กูเห็นธรรมมากกรอดก็เรียกกูยังสืสูอยู่บ่หยาเห็นความหิวก็เห็นอารมณ์เห็นความหิวอยาเห็นความหิมะมีเห็นอารมณ์กูคิด่ไม่มีหิริก็ดอกก็เีเอานีเห็นอารมณ์เห็นแต่ไม่เห็นเ้วยองตานี่อ่ะนั่นล่ะเขาก็ได้ปดเพื่อกเขาก็ได้เจ้ไข่นี่เห็นธรรมนี่พระพุทธเจ้าดูกับเขามันเดี๋ยวอ่าพวกเรเห็นธรรมบุญนั้นเห็นตถาคตตถาคตที่ผู้คุมค้องรักษาเขา เขาเลิกบวกวงตัวเลิกเลิกบวชปล่อยจิตปล่อยใจแล่นขึ้นไหาของเสียดสีด้านเหลืองที่เขาเลิกได้ละได้เขากับเป็นคนหมั่นคุมเนี่ยพระวุทเจ้เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์เป็นประโยชน์ย่างยิ่งได้เนี่ยอธิจิตอ่ะอธิจิตให้ได้อะนี่ก็เพราะเขามีอธิ บ, บัญญัติเขาเป็นมหาทันซึงคันนี้พวกแม่เป็นมหาผวกพ่อเป็นมหา เมเป็นมหาประโยชน์ั่นประโยชน์นี้เดเขาบริเรียนประโยชน์จยจะไปอวดคุยว่าผมเป็นประโยน์าประโยชนี่เด้อเป็นมหาเป็นมหาสติเนี่ย่าเมนมหากรุยดกูดิถ้ามหากรุยดกูได้ว่าเจ้าของเป็นมหากเมนเป็นมหาสติอย่าลืมท่นพวกฝึกผลธรรมะแล้วไปยิงพยองท้องขนเกิดอาหางการมามั่งการสำคัญว่าเจ้าของเจียงก่าเขาภาษาอย่างสูอยู่เนื่นสูสิเด้าอยงขึ้กูสูญสิเดเลดายอย่างขึ้กู อวดเราจะความเลิยเนี่ยอวดยกตนคนท่านได้ด้เป็นกิเลสประเภทพณีเงื่อ น, ยนยยอย่ายเพิ่มเพียมเข้มปูเตือนไว้ยานเฮานักปฏิบัติทั้งหลายหรือผูอ้โค้งใจเลี้ยนนี่ก็เห็นเขาทางตัวออืย่าให้ตัวจนมันแจ่มันแดงถึงมากย่าให้อาหามมังการมัร่งการไม่จะเล่นเตีเ๋ยวตัวเบ่งบานถึงมากให้สติสัพยัญญาพุ่นเนบ่งบานจะเล่นพุทธเถิดถึงกติกาใจให้อาอันเรื่องกิเลสที่เป็นเหตุให้ยกตนโค่ผู้อื่นภาษาทยังหนึง่งสียน ได้เรียนรู่อยังซ้ำกูมุ้งเนี่นผู้สวยผู้งามแต่คนคมคนขี้ไรขี้เลภาษาอย่งมึงซ้ำเลื่ยงกังตัวเมื่อิท้าท้าศิสวยงามอยัางซ้ำกูสามคนผู้มังผู้มีผู้รำผู้รวยยตุนคมผู้ทุมมมมกผู้เนี่ยภาษาอย่างมึอยู่แต่ทุนแต่ล่างตัวเฮี้ยงกิกะอตอบกะพามตัวเนี่ยสาคนเอ่อท่านท้านะดีก็เขากเป็นสนเอาท้านะาคมเขาดูท่านยกตำแหน่งสูงกว่าเขาเจ้าของเป็นพระพูก็อเอาภาษาสูยัง พระธรรมดาพระสามัญว่ามีท่านมีภูมิธรรมดงใจว่าจงท่านบ้าแ น, น่ธรรมสิ ท, ทออย่างเป็นลัรรกษณะกจีเรบุตรเขาเขียนคำพล้องสอนไวน้เป็นแต่เอามาจิดมันเียเจนหนึ่งเขาว่ากิ เ, เรบกยกหานราอวดว่าข้าเป็นอาจารย์พิมานะจะรางการเปรียบ เ, เ, เทียบอื่นมึงมกูมึงชลาตูโฉดเขามึงเนอากูแหลรู้มึงเปล้าช้าน่าอดสูกูคนดีมีศีลธรรม มึงเป็นศกกูเป็นสงมีคนหลงกูรู้ร่ำมึงคนขาวกูคนดำมึงพระครูกูเจ้าคุณมึงเป็นเมรุกูเป็นเถรมึงมีเย็นกูมืบุญมึงอยู่ตึกกูอยู่ถุนมึงกินปลาค้าวกูเหนมมึงกินหมูกูกินเคมึงตาเหลวกูตาแหลมมึงของถูกกูขวงแถมมึงคนผ่านกูคนเพียนมึงคนรู้กูปฏิบัติมึงเป็นญาติกูเปรียนมึงเป็นครูกูนักเรียนมึงตจเหม็นม่เชิญกู มีมกูกูจะมาเขารงตานกลวงคอขันชันหูตอนนี้ผีอะไรตายดูไทยว่าผีหมู่ควายท่านินเลี้ยงมากเป็นย่งบ่คนแก่คว้เป็นคั้วเป็นสัควั้มันมักห้านภุ่มใไปเขาเน่ะคว้วเขาเปียกขั้วเขากลางบ้านเขาเอื่องขั้วเขาเลีได้มั้ยไงเข้าคอกไห้พีดไม้เลื่อเที่ยวแช่เสือควายเขากลางเนี่ยเขาเอื่อคขั้วเขากางขั้วเขาเปียกมักห้านภู่มใไปเขาใขรเจ้าของสวยเขางามขั้วเขาเกิดภาษายยัางนู้นตาเล่ย แต่กูแต mm ่แหลงแต่คม